ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าดงดิบคิวเรียติว่ามีความลึกลับในเรื่องของความ แต่ก็มีพลานจํานวนไม่น้อยเช่นกันที่ต้องเอา และบรรดาวิญญาณเจ้าที่ต่างๆแล้วเป็นทางในการเดินทางก็เต็มไปด้วยความยาก เจตจีอาจารย์หลายท่านล้วนแต่ผ่านการเดินทางในๆป่า พ้อตัวตามยาวบนเรื่องหนึ่งเขาเพชรบูรณ์ซึ่งเป็น เป็นที่ตั้งของเมืองขวางทบุรีที่ปลุกครองโดยขุนบรมราชาในขณะ ชาวบ้านทุกคนต่างก็เชื่อในคําประกาศที่ออก ชาวบ้านที่มีนิสัยชั่วร้ายเป็นทุนเดิมก็ได้ใจกระทําตามบ้างที่เรื่องราวในขณะนั้นนิสัยชั่วร้ายเป็นทุนเดิมก็ได้ใจ เวลาผ่านนามคทธกุมารซึ่งเชื่อนามว่าไม้ร้อยก่อเป็นชาติพุทธหนึ่ง เมืองเดิมกล่าวนั้นเป็นเมืองร้างแต่ทั้ง 3 ก็คือพระธิดาของเจ้าเมืองมีนามว่ากลองสีคือพระธิดาของเจ้าเมืองมีนามว่ากลองศรีซึ่งได้ซ่อนตัวอยู่ในกลองใบนี้ครั้งที่ผูงูได้ลง แต่ทางคทธกุมารกลับคิดว่าที่ผ่านมาชาวเมืองที่ก่อไว้มากพอ ในท้องป่ามืดมิดเข้ามาทำร้ายชาวแต่ทั้ง 3 คนและชาว หรือภูหอภูหอส่วนที่มาของชื่อดงพญาไพบูลย์นั้นเกิด ศูนย์คทคุมาลและเวียนร้อยเล่มก็ได้ออกเดินทางท่องนั้นเป็นที่รู้ ตลอดจนถึงถูกถูกพูดปากต่อปากยังไม่คาดซ้ายผีปีศาจและอาถรรพ์ 5 ทรงโปรด จำเป็นต้องสร้างตัดผ่านป่าดงพญาไฟโดยในขณะนั้นมีคำร่ำลือเกี่ยว จะได้เป็นภูเขาขนาดย่อมเลยทีเดียวซึ่งเชื่อว่าสาเหตุที่เกิดการตายอย่างต่อเนื่องนี้เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ก่อสร้างเส้นทางไปลบหลู่ผีป่าหรือเจ้าที่เจ้าทางโดยเฉพาะพวกในชาติต่างชาติที่มักปัสสาวะรถต้นไม้ขนาดใหญ่อีกทั้งยังส่งเสียงเอะอะในขณะล้อมวงกินเหล้ากันอยู่บ่อยครั้งซึ่งต่อมาในชาติต่างชาติเหล่านั้นต่างทยอยตาย บางคนก็ถูกเสือฆ่าไปกินบ้าง ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสีย พระป่าแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรจึงมีรับสั่งถามข้าราชการชั้น โดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเพราะที่ผ่านมานั้นประสงค์ให้ประชาชนที่อยู่ใน 2467 หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ชื่อดงพยาเย็นจากที่ โดยมีการปลูกๆประมาณ 30 หลังคาเรือนอยู่บนยอดเขาต่อมาได้ ซึ่งเมื่อถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต่ำลัยลาก็จะเข้า เข้ามาซ่องโจนแห่งนี้ด้วยความสามารถของท่านในที่สุดโจรแห่งนี้ด้วยความ 75 ปีและต่อมาก็ได้ ถนนกับบางช่วงของทางรถไฟทําให้พื้นที่คงดงพญาเย็นถูกเปิดให้ความเจริญเข้าไปซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วจนที่ บริเวณดงพญาเย็นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งปีๆ หรือไม่จะเสียชีวิตอย่างอนาถเชื่อได้ Subscribe จะๆจาก